พยเดินยงก้่าไปทียังเห็นอยู่ก้าไปทียังเห็นอยู่แต่บางครั้งมันก็ไม่เห็นนะอย่าไปบังคับอย่าไปข่มกดนะมันไม่เห็นก็ไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วก็ขับมาเริ่มก้าวหเอาดูสิยังเห็นความรู้สึกก้าไปทียังเห็นอยู่ก้าไปทียังเห็นอยู่ เดี๋ยวมันแบบมันไม่เห็นเอ้าไม่เห็นเราก็กลับมามาตรวจสอบอีกต้องเคยตรวจสอบไว้เดี๋ยวนี้ยังเห็นอยู่ไหม ย, ยังเห็นอยู่เคลื่อนไหวพิธีก็ยังเห็นเคลื่อนพิธีก็ยังเห็นอยู่อย่างทีมเผลอไปเราต้องใครตรวจอะบางทีเราไม่รู้นะพอไปไปเนี่ยมันเพีย้ยนน่ปไม่เห็นละมันเปลี่ยนไปเลยที่แรกก็รู้วันนี้ เขาไปแล้มันรู้อย่างอื่นไปเลยมันเปลี่ยนเราไม่เห็นอันนี้แหละแต่เห็นงั้นเราก็ต้องต้องเคยทบทวนใครตรวจสอบเพราะตรวจสอบอ๋อเราจะเห็นนะโอ้อมากี้เผลอไปมากี้เราลืมตัวะเนี่ยคนเราไม่เห็นความลืมตัวอนี่จะไม่ค่อยเห็น น, นี่ถ้าเห็นเนี่ยแต่ว่าให้รู้ตัวอยู่ตลอดแหละทุกทานัินดีฟังให้ดีๆนะ ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ให้มันอยู่ตัวเป็นแบบไม่ได้ต้องใช้เวลาหลงพอใช้เวลาต้องหกเจ็ดปีเนี่ยพอรู้เนี่ยเริ่มรู้อย่างนี้ใช้เวลาหกเจ็ดปีถึงจะต่อเนื่องบางทีเราก้าวไปเที่ยวยรู้นะดยพอก้าวไปสองก้าวไปรู้อย่างอื่นแล้วลืมแหละไม่เห็นละไม่เห็นก็ต้องโอ้โหเอาใหม่เห็นอยู่ต้องใช้ช้ายเห็นอยู่ต้องเหบาเ่าทำแรงๆไม่ได้มันละเอียดอ่อน ถ้าไปเที่ยงเห็นอยู่เบาๆเดิน น, นี่มันนุ่มหนุนเบาๆค่อยๆวางเท้าไปวางแรงๆเทืนทีมันยากจะเห็นไหมนะเ ท, ทื่อนไหวไหมนเนี่ยช้าๆตรงทีพอเร็วๆนี่มันจะมันจะแวกหายไปเลยแต่รู้มันทางแต่มันไม่รู้อย่างนี้หละไปรู้อย่างอื่นไม่เห็นนั่นแหละ เรียกว่าเดินตัวนะถ้าไม่เห็นอันนี้เมื่อไหร่ลืมนี่เราเรียกว่าเดินตัวแล้วคนเรานี่ไม่เห็นตัวเองอย่างนี้ส่วนมากจะไม่ค่ยเห็นไม่ค่อยเห็นอันนี้เนาะหลวงพ่อเชี้นี่ถ้าใครเห็นไปเดียวมีดวงตาเห็นทำแล้วรู้จักนี้เจริญนี้ไปหลวงพ่อกจะเห็นตรงนี้สิบกว่าปีอุตส่าห์ไปถำไปเยอะเขาไม่รู้จักเนี่ยเขมรู้จักโอ้ย อ, อยู่ตรงนี้เอง จะเรินกว่าจะต่อเนื่องหกเจ็ดปีนี่ตอนนี้เนี่ยผ่านมาตั้งสิบกว่าปีแล้วนีอยู่ต้องไม่เคยเผลออะไรนี้ไม่เคยลืมเลยไม่มีอะไรคุยก็ไม่มีบอกความจริงนี่สัจธรรมไม่แปรปรวนไม่แปรผันไม่เปลี่ยนแปลงเนีย่ยเบา บ, าบา่ไม่มีอะไร เนี่ยที่พู้ใช้ฟังเนี่ยไม่ได้มันจะ ม, มีความรู้สึกว่าเออนี่เรากําลังเนะนกำกําลังสอนคนนะไม่มีเลยความรู้สึกอย่างนี้ก็เฉยเฉยก็พูดไปเฉยเฉยก็บอกเองเงี้ยอ่ามันเป็นธรรมาชาติเป็นภาวะธรรมเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเป็นของเรายอย่างนี้เรียกว่าไม่มีมานะ์ไม่มีทิฏฐิไม่มีความคิดความเห็น เป็นของตัวเองเนี่ยเราทำไปนี้ถึงเราจะมีเราจะพูดคุยจะมีความคิดความเห็นมีใครมาค้านี่เราจะหยุดให้ทันทีเราจะไม่ไปเถียงไม่ไปต่อต้านหรือไม่ไปขัดแย้งกับใครเลยถ้ารู้นี่เราจะรู้เลยว่าคนเขาไม่รู้อย่างนี้เพรบา ง, างครั้งคุยมันจะคุยก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันมีทิศถิ่มีมานะความคิดเห็นมันตามได้ เราเดีวกว่าเขาโอ้เขานั่นมันเป็นความคิดเท่านั้นเลยท่า น, นี่อย่าเห็นตาฟางเป็นจริงไม่มีอะไรไ ม, มันดับมันเป็นอะไรตามันไม่ใช่มันไมีไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเราพูดๆแล้วก็ผ่านไปผ่านไปไม่มีอะไรมันดับเกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเลยไม่มีอะไรตั้งอยู่เลยถ้าเข้าใจ ไม่ต้องมีอะไรเกิดไม่ต้องมีอะดับหรือเข้าถึงความไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่มีก็เห็นอาการเห็นความเป็นไปเท่านั้นเองนั่นน่นไม่ใช่มันทําพูดเกิดให้เสร็จตั้งแต่นี้มันไม่มีคือมียินดียินไล่เนี่เกิดเนีะยตอนนี้มันไม่มียินดียินไล่นั่นไม่มีอะไรเกิด เกิดเยนดีเยนไล้เป็นทุกข์ก็เป็นสุขทุกข์ทั้งนั้นนี่ว่าความเกิดเป็นทุก ข, ก ข, กข์ความแก่ก็เป็นทุกข์เมือนกถ้าเราต้องทนอยู่ต้องต้องดํารงอยู่ชีวิตนั่นก็นั่นก็ทุกข์นะจะตายก็ทุกข์อีกอันนี้เราจะเห็นโอเป็นไปเห็นธรรมชาติเป็นไปไี่มีอะไร ทก่มไม่มีมคําพูดเลยดูไปเรื่อยๆนี่อยาอย่าให้รู้ว่าตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะรัดสั้นที่สุดถึงเลยแลดูไปเรื่อยๆ อ, อย่าลืมตรงนี้มันใครลืมบ้เนี่ยถึงว่าพอเน้นตรงนี้ให้เห็นตรงนี้นะนะเตือเตือนก็ว่ามันจะไม่งงเหงาเหาเนี่ยหลวงพ่อที่บอกเนี่ยนอนไม่หลับบางที มาเคยงหลับแค่สองชั่วโมงได้เพราะมันรู้มันเตือเพราะคนเรานี่ทีจิตใจมันมันไม่มีมันมันไม่มีภาระมันมีทุกข์ร่างกายมันก็เหมือนมันมันก็ไม่ต้องการพักผ่อนอะไรบางนีถ้าร่างกายเราต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องหนักอกหนักใจโอ้โหมัน มันอยากจะนอนอยากจะพักไม่อยากจะทำอะไรมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้หมดหมดเรียเร่ยวหมดแรงนี่ทุกทางนั้นเลยแล้วถ้าอย่างนี้มันไม่มีว่าหมดเรี่ยวหมดแรงแต่นี่ก็เป็นไปตามธาวะไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่วันนี้บางทีเมื่อกี้มาก็รู้สึกว่าเพี้ยเพียนแต่ตอนนี้ก็หายแล้ว เห็นเดินอาจจะอ่อนล้ามความทรงตัวไม่ดีมันก็เห็นความเป็นอย่างนั้นน่ะก็เห็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรารู้สึกเราเห็นความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเห็นความรู้สึกมันอ่อนล่ามันเพรียงั้นพอรู้เราก็รู้แค่รู้ก็พอแหละก็รู้อย่างนี้ก็แล้วเท่านั้นจบ และให้รู้ความจริงนี่แหละความจริงก็คืออย่างเนี้ยก็เป็นอย่างเนี้ยเราอยากเอาไม่เอาก็อย่างเนี้โออแค่นี้เองไม่เปคนง่ายเขาเห็นตัวเองมันมันจะไปเห็นที่จิตใจใครเห็นที่ตัวเองตัวเองเคยเป็นอย่างนี้มานะแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราเคยเป็นอย่างนั้นมันจะนี้เห็นคนอื่นโอ้เป็นก่อนเราก็เคยเป็นนี่นี้เราไม่เป็นแบบนั้นแล้ว นั่แหละเมื่อมีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้ยังไม่ขับเอาไม่ขับก็ไม่ขับไม่ขับก็หยุดก็ทําตามเพนต่อไปเพนรู้ตรงนี้นะเรามีอะไรก็ไม่ต้องไปบอกใครเราพูดมันอยากจะบอกดูที่พอมารู้สึกอืมเราก็อยากยังมันได้อย่าไปตามมันเนี่ยถ้าเห็นความคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่ทันมันนะมันก็อดที่ไปบอกอดขอเท่ไปนั่นไม่นะหมดไม่ต้องไปบอกใคร ไม่ต้องไปมีหวังดีไม่หวังรากอะไรกับใครใจเฉยๆอันนั้นแหะแต่นี่มันเป็นคาพูดเนี่ยคนเราจะเข้าใจไม่ได้ให้ดูเอาแต่ตอนนี้ไม่ต้องมีอย่างนั้นดูที่เราก็ทำไปเฉยๆทำไว้จิตว่างนี่แหละมีผลมากที่สุดไม่ว่าจะทำบุญให้ทานไม่ว่าทุกเรื่องไปหมดเลยตัวรู้เขารู้อยู่แล้วอย่าให้มีอะไรเข้ามาแทรก แล้วมันไม่ใช่แค่นี้ดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะมันจะเปิดเผยหมดเราจะหมดสงสัยสิ้นสงสัยหมดสงสัยอะไรอะไรเลยโลกผีสารเทวดาบุญบาทมันรู้จักหมดอะทำดีแล้วมันดียังไงทำชั่วมันชั่วยังไงนั่นเห็นการกระทำแต่เราอยู่เหนือสิ่งเหนี่ยวนี้มันจะไม่มีผลหมดเลยทำดีมันก็ไม่ดีทำชั่วมันก็ไม่ชั่วแต่มันไม่ทำกับชั่วทำแต่ดี ทำดีแล้วมันก็ไม่ได้ดีอะไรมันไม่ได้อะไรก็เฉยเฉยนี่มันยิ่งกว่าได้แต่คนเราไม่รู้จักแล้วพยายให้มันได้อันนี้นมันทุกข์ทั้นั้นเลยได้ทุกข์ทันน้นั้นนั่นแหะทุกข์ทั้นั้นเลยขคนเราไม่เห็นทุกข์ละเอียดนะ่ะละเอียดอ่อนนะเยวองปฏิบัติมันนานๆลอดูนะต้องเปลี่ยนมาต้องกับไปแล้วนะนะ คนที่ดูดนะเฉยๆนะทำอะไรก็ทําไม่ต้องไม่ต้องพูไม่ต้องคุยอะไรเนั้นถ้าไม่จาเป็นนะนะต้องดูด้วเป็นพยายามีกเรียเลยคือใหม่ๆเราดูองนี้เราต้องลีกเลียกต้องีกเร่งต้องนเอถึงเรายังดีเร่งไม่ได้ก็ดูเฉยๆราอยาให้เ่นั่นเร็วมีการสํารวม ทำไปทำไปเฉยๆทำได้จิตว่าไม่ต้องมีเจตนาไม่ต้องมีเยตนาแต่รู้ว่าต้องทำอะไรต้องทำยังไงทำให้ดียังไงก็รู้อยู่แล้วเออท่านั้นรู้เหตุรู้ผลทำให้ไม่ถูกเหตุกผลไม่ต้องมีเจตนาไม่ต้องได้อะไร มันอยู่เหนือคำพูดหมดเลยมันอยู่เหนือความรู้สึกนึกคิดหมนะรู้จักนะให้เรารู้จักตัวเราน่นเห็นภาวะเดิมของเราจริงก็ไม่มีทุกข์ขั้นดีแหละเป็นธรรมชาติภาวะเดิมเราคือธรรมชาติบริสุทธิ์ก็ไม่มีอันเนี่ยอยู่ก็อะไรก็ได้ก็ไม่มีอันอยู่คนเดียวไม่ไอยู่หลายๆคนเหมือน แต่ว่าเราฝึกห้มันชินอันนี้หรือะทําการทํางานกเหมือนกันจิตก็ว่างว่างตลอดเวลาแต่คําว่าตลอดเวลานี่เราต้องอยู่ที่เราไม่ต้องไม่ไเบลอไม่ลืมอันนี้นั่นคําว่าสติแปลว่าไม่ลืมนช่ไหมันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องทําหรือว่าต้องไปทําดีละชั่วอะไรเนี่ยรู้อจักอย่างนี้เสร็จเบ็ดเสร็จ เม็ดเสร็จในตัวเสร็จจบอยู่ในตัวเสร็จดีเรายังมีความรู้สึกว่ า, าต้องทำดีหน่าติดนะมีตัวเราของเราท่านะนารเ อ, อยู่ในวัฏจักคือทาดีแล้วก็ดีเท่านั้นเองทำชั่วก็ต้องชั่วก็ยังอยู่ในวัฏจักรไอย่างนี้เราออกจากวัฏจักมันไม่ต้องมาวนเวียนอยู่กัไ้เอง ไอ้ชีวิตซ้ำซซากซากอยู่ทุกวันทุกวันซ้ำซากเนี่ยท่ายังมันอยู่เหนือคว า, ามซ้ำซากเลยเห็นไหมแค่แว บ, บเดียวแว็บเดียวนี่จำให้มันได้ไดอะไรเงี้มันจบล้วไม่ต้องไปศึกษาอะไรเยอะหลวง่อเทนหลวงพ่เนี่ยไม่ต้องไปศึกษาอะไรรู้หนังสือก็ได้ไม่รู้หนังสือก็ได้เนี่ยบางคนที่ไม่รู้จักว่ามาวัดโอ้สดมนต์ไม่ได้มาอ่านหนังสือไม่ได้มาก มันไม่เกี่ยวหรือเราต้องรักษาศีลต้องให้ทานเนี่ยหลวงพ่อเจมบอกมันไม่จะรักษาศีลแล้ไม่รักษาศีลนะแต่ที่จริงถ้าเรารู้อย่างนี้มันมีศีลนะมันปกติอ่ะมันรู้บุญรู้บาปมันจะทำบาปได้ยังไงอ่ะทำบุญมันก็ไม่ติดบุญมันอยู่เหนือบุญไม่รู้จะพูดยังไงนี่แหละผลอันนี้มันยิ่งใหญ่ นะมันยิ่งใหญ่กว่าอะไราอันนี้รู้ได้เฉพาะตัวเป็นของผู้รู้ถึงเหล่าวเป็นปัจจิตังเป็นสิ่งที่ผู้รู้รู้ได้เฉพาะตัวเป็นของผู้รู้เป็นของผู้มีปัญญานี่เรียกคาว่ามีบุญมีวาสนาคืออย่างนี้นี่อันนี้ไม่ใช่มีบุ ญ, บญวาสนาก็เป็นใหญ่เป็นโต อั น, นี้มันไม่เป็นอะทันะ้นั้นมันเหนือมันยิ่งกว่าอะไรอะรอีกอะมันดูดีไม่มีมันเพียแต่รู้อ๋อรู้ภาวะก็อย่างนี้นะไม่มีําพูดเลยทีจะพูดให้เข้าใจเข้าใจเองรู้เอาเองจะไปบอกใครก็ไม่ได้มันเรื่องเฉพาะตัวเลย มันของไข่ของมันเลยนี่เรื่องเฉพาะตัวลแล้วมันไม่มีทุกข์ใช่ไหมเฉยเฉยนะัานถ้ า, าดใูให้ต่อนเนื่องเลยด้วยเองสบายมันก็ไม่มีไม่สบายก็ไม่มีมันเฉยมีแต่ภาวะล้วนธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นเองนั่นเราเรียกว่าปกติเขามาศีล น, นี่ศีลอย่างนี้ ไม่ใช่สินหน้าสินแต่สินสิทธนะมันสีนมันสินวัฒนะ ธ, ธรรมหรือมันสินวิน ร, รัตน์นั่นสำคับคนที่ไม่รู้อะไรมันก็ต้องใช่หลักอนะันนั้นให้มีกรอบถ้ารู้อยงมีอยู่ในกรอบไม่ไปทำบาป ท, ทําได้มันรู้อะไรเป็นอะไรรู้บนรู้เลี้ยวดีรู้ชั่วรู้เหตุรู้ผลแต่ดูไปเรื่อยๆนะอันนี้อาจยังรู้ไม่หมด ห้เรารู้อย่านี้มากๆผมจะเห็น เ, นเปิดเผยหมดเลยเนี่ที่ว่าทำมากของกุฎิจาร์เหมือนของพัามแล้วก็หงายเนี่ยมันจะหงายที่ตัวเราล่ะแต่ผมพ้อเชื่ให้ดูนี่ก็เหมือนอาการหงายให้ดูอะแต่ต้องต้องดูที่ตัวเราต้องเห็นที่ตั ว, ต ว, ตวเราเนี่ยรักษาดีสุด ยังรู้สึกว่าอยากจะไปคุยอยากจะไปบอกใครนั่นไม่รู้เดี๋ยวไม่ใช่มันอยากให้มีรู้ชฉยๆมันอยากพูดอยากคุยไม่เอาไม่เอาก็มันเพราะเคยคินความเคยคินเนี่ยเดี๋ยวอยากอาสวะนั้นยังไม่หมดสันดานนะนั่นแหะสันดานก็เรียกวมนทินมันเราดูเรื่อยๆเราอย่าทำตามมันมันอยากเราก็ดูมันสิอย่าทําไปตามความอย่าง เราจะเห็นนะโอ้มันอยากเราจเห็นและส่วนมากเราเคยชินแล้วเออทำไปตามคามอยากแย่นี้มันไม่รู้อจากหมดอ่ะมันอยากอะไรเรายังไม่ทําดูเฉยเฉยโยนเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วถึงเงียบเคยทําอยากจะดื่มน้ําคอแห้งพรอยากดื่มล้วก็ดื่มทันทีดูที่มันอยากงไงให้รู้เห็นความอ้อมันอยากนี่โอ้จริงๆต้องดื่มน้าแล้วล่ะมันก้างหายก็ดื่มไปอย่างนี้ ทุกเรื่องไละอี้ไม่ใช่หยับยางเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อเท น, นึงมอเรียมีตาที่ผูที่มันฟังอะไรก็เข้าใจใครอย่ามาพูดเลยตาดูอะไรก็ดูมันดูออกหมดแต่ว่าต้องฝึกให้ต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะดูอะไรมันจะเห็นโลกมองเห็นเนี่ยคำว่ า, าที่เคยเห็นไหมนเนี่ยตาเปิดโลกสร้างพุทธโลกนะ ตามเปิดโลกคือเห็นโลกเห็นโลกเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นหมดก็เห็นในตัวเราเราจะเห็นจะรู้เห็นบุญเห็นบาสนะอย่าให้มันเพลินนะนะย้อนสุดาให้ตื่นตัวแล้วก็ไม่มีอะไรในจิตใจอย่าให้เหนียนะเนี่ยต้องรู้จัก อยากพูอยากคุ ย, ยไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยบอกตัวเองไม่อยากคุยอยากบอกไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกใครอยากเข้าใจอะไรยังไงไม่เข้าใจช่างเพืออยากเอาชนะตัวเองนะ น <tang ar> ี่เรียวเมียมนาดหมายถึงไม่ให้มันเมียมนาดคือจะเอาชนะจิตใจตัวเองชนะความรู้สึกนึกคิดของเรานี่เราต็มไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงรู้อย่างนี้แล้วมันก็ยังเป็นอันนี้เราอย่าไปอย่าไปตามตื่นตัวกูไม่เอาก็มึงถ้ามันเตือนตัวจริงๆกูไม่เอามึงอยากพูดก็ไม่พูดทาไม่จำเป็น อย่างนีม้มีทางจนอยากจะจับใจใช้สอยอะไรเห็นมันอยากจะซื้ออยากจะหาะไรไม่จําเป็นมันก็ไม่ใช่ไม่จะจนที่ไหนนะเนี่ยอย่างนี้ถึงเรื่องว่าอัตชีอัตโนมัติโกลมจเป็นได้ยิ่งกว่โกลมแต่ตอนนี้เรายังมีกายมีใจเราก็ต้องอาศัยเออเป็นใจเพื่อสบายแล้วอาศัยความสบายเพ่อย่าหล่อเลียนเออเป็นไงรู้สึกสบายไหมรู้สึกมีความสุขไหม แต่ความสุขก็อย่างนั้นแบบไม่ให้เราไปยึดถือแต่หมายถึงอาศัยเออก็เป็นไปได้ง่รู้สึกมีความสุขไหรู้สึกมีความสบายนะแต่เห็นเราก็เห็นเขาโอ้สบายอย่างนี้แต่ก็ไม่ติดในยึด อ, อาศัยเพื่อจะหล่อเลี้ยงเพราะยังยังมีสังขารมีร่างกายเพื่อจะหล่อเลี้ยงอันนี้แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อติดเพื่อยึดก็ต้องเป็นไปให้มันสบายวะนี่ที่บอกก็ได้ครับ สบายเมื่อสบายแข็งบามือเบาแข็งแต่นี่ก็คือฮาลลลิ ล, ล, ลมันจะเป็นเองเนี่ยนะเขาอจจะสันโดดมีความ พ, พอใจและ ย, ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ยังไงก็ได้แล้วก็มีความ พ, พอใจก็ไม่ทุกข์นะ้ะนีเวลาตายไปแล้วก็ดับอันอนี้เลยล่อันนี้เลย คำละสังคารพอเทียนนะมันในร่างกายเหล่านี้ก็เหมือนกับพวงแพรเหมือนกับเรือแพเราสายข้ามฝัง่งเนี่ยฝั่งที่เราถึงอันนี้ก็หมือนึับเข้าถึงภาวะที่ไม่ติดไม่ยึดอันนี้ที่หลุดพ้นจากอะไรอันนี้อนนี้เราสายเรือพอเรือข้ามไปฝั่งโน้นเราสายเรือข้ามพอขึ้นฝัง่งแล้วเราก็ทิ้งแล้วเรือก็ไม่ต้องเอาเหมือนร่างกายนี้เนี่ยเหมือนเรือแพ อาศัยอันนี้แหละที่ข้ามฟังหรือข้ามคัามหลุดพ้นหรือข้างข้ามวุ่งทุกข์หรือทะเลทุกข์ทนแล้วไม่เอาแล้วก็ไม่ดึงล่างตายเวลาตายแล้วก็ยังมาผวงอันนี้อีกละคนเราในโลกเดี๋นี้ส่วนามากมา่วงอันนี้โอ้โหท ทำงานเผางานศพอะไรอะไรโอ้โหปุนแต่งกันทหน้าดูเลยแล้วลูกพ่อมาเห็นนี่ถึงมองง่ายๆตายแล้วเ้าเลยเอาดูมาเพื่นมาคนละดูนวดดูนเผาเลยไม่ต้มีอะไรไปทําอะไรไม่ต้องทำอะไรหม่เนี่ยอยากให้รู้อย่างนี้นะไม่มีอะไรมันเป็นความคิดนึกของมันติด สะสมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ น, นี้เราก็ต้องรู้สมมตนะิจะไม่าไปขัดแย้งกับเขาไปโต้เถียงกับเขาก็มันเฉพาะตัวเราเห็นเราอย่างนี้แต่คนอื่นก็ไม่เห็นนี่ก็เรื่องของเขานะเราจะไปว่าใครนี่ไม่ใช่นะอะ่คนก็ไม่รู้อย่างนี้เขาก็ต้องเป็นไปอย่างที่เราเคยกินพอเรามารู้นี่มันก็นนจะเปลี่ยนแปลง คามเป็นอยู่ของการดําเนินชีวิตอะไรมันจะเปลี่ยนไปหมเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเปลี่ยนไปในทางที่เบาว่าคนทุกพลภาเรียกมากไม่ยุ่งยากอะไรจะง่ายนะควนะามเป็นอยู่จะง่ายขึ้นจะไม่ยุ่งยาก